มาสร้างบุญสร้างกุศลตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเพื่อประโยชน์สุขของใจของพวกเราและของผู้ที่ร่วงลับไปแล้วเพราะไม่มีอะไรที่จะมีความสำคัญยิ่งกว่าใจถ้าร่างกายไม่มีใจ ร่างกายก็เป็นเหมือนคนตายเวลาที่ใจออกจากร่างกายไปแล้วร่างกายนั้นก็เป็นเหมือนท่อนท่อนไม้ท่อนฟืนจะไปพูดกับร่างกายนั้นก็จะไม่รู้ไม่รู้เรื่องจะไม่สามารถตอบคำถามของเราได้เพราะร่างกายไม่ใช่เป็นตัวที่รับรู้ตัวที่คิด ตัวที่สั่งให้ร่างกายพูดหรือสั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆแต่ใจต่างหากที่เป็นผู้สั่งถ้าไม่มีใจอยู่ในร่างกายแล้วการรับรู้ก็หมดไปการที่จะตอบคำถามการที่จะสนทนากันก็ไม่สามารถทำได้เพราะผู้รู้คือใจไม่ได้อยู่ในร่างกายแล้ว พอออกจากร่างกายไปเราก็เรียกว่าดวงวิญญาณเมื่อเข้าไปอยู่ในท้องพ่อท้องแม่เราก็เรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณเมื่อออกมาเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เราก็เรียกว่าใจใจมนุษย์ใจสัตว์อย่างนี้เป็นต้นใจนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายเมื่อร่างกาย ไม่สามารถที่จะอยู่ต่อไปได้ใจก็ต้องย้ายออกเหมือนกับการย้ายบ้านเมื่อบ้านที่เราอยู่ไม่สามารถที่จะอยู่ได้เพราะชำรุดทรุดโทรมอยู่ไปก็จะเป็นภัยเราก็ต้องหาบ้านใหม่ย้ายบ้านใหม่บ้านใหม่ที่เราจะไปหาก็ขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์ของเราถ้าเรามี ทรัพย์มากมีเงินมากเราก็สามารถหาบ้านใหม่ที่ดีกว่าเดิมได้ถ้าเรามีเงินน้อยก็จะไม่สามารถหาบ้านใหม่ที่ดีเท่าเลือดีกว่าเดิมได้ฉันใดใจของเราก็เป็นอย่างนั้นเมื่อต้องออกจากร่างกายไปแล้ว <c oughs> ก็จะไปหาบ้านใหม่ต่อไป จะได้บ้านที่ดีกว่าเดิมหรือเร็วกว่าเดิมก็ขึ้นอยู่กับฐานะของบุญกุศลที่ได้ทำกันไว้ขึ้นอยู่กับฐานะของบาป ก, กรรมที่ทำกันไว้ถ้าทำบุญกุศลมากทำบาป ก, กรรมน้อยก็จะได้ไปเกิดที่ดีที่เรียกว่าสุขติไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทพเป็นพร เป็นพระ อ, อริยะเจ้าตามลำดับต่อไปถ้าไปเกิดถ้าบัธรบาปทำกรรมมากกว่าทำบุญก็จะต้องไปเกิดในอบายไปเป็นเปรตเป็นผีเป็นเดรัจฉานไปตกนรกเพราะว่าฐานะของใจเป็นอย่างนั้นเหมือนกับไปใช้หนี้ใจที่ทำบาปทำกรรม ต้องไปใช้หนี้ต้องไปติดคุกติดตารางคุกตารางของใจก็คืออบายทั้งสี่เปรตผีเดรจฉานนรกนี่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสู้เห็นเพราะคนที่จะเห็นสิ่งเหล่านี้ได้ต้องมีจิตใจที่มีความสงบมีปัญญา ที่จะสามารถแยกแยะอะไรที่ปรากฏขึ้นมาในใจได้ถ้าไม่มีความสงบไม่มีปัญญาจะไม่สามารถเข้าถึงตัวจิตได้ก็จะหลงคิดว่าตัวจิตก็คือตัวร่างกายอย่างที่พวกเราหลงคิดกันอยู่ใจของพวกเราหลงคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเรา เป็นของเราเวลาเราคิดเราพูดอะไรเราคิดจะพูดอะไรจะทำอะไรเราก็คิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวคิดเป็นตัวพูดแต่ความจริงแล้วร่างกายเป็นเพียงบา่าเป็นผู้รับใช้ใจเท่านั้นใจคิดอะไรแล้วถึงสั่งไปที่ใจจะพูดอะไรก็ต้องคิดก่อนแล้วถึงจะพูดได้ จะทำอะไรก็ต้องคิดก่อนถึงจะทำได้ใจจึงเป็นตัวที่สำคัญที่สุดเพราะใจนี่แหละเป็นผู้ที่สร้างและเป็นผู้ที่รับผลของกรรมของบุญที่ตนได้ทำไว้นรกก็ดีสวรรค์ก็ดีพบชาติต่างๆก็ดีล้วน เป็นใจผู้ที่ไปสร้างขึ้นมาแล้วก็ไปเสวยอยู่ในภพนั้นชาตินั้นอย่างพวกเราชาตินี้ได้มาเกิดเป็นมนุษย์เ <c oughs> พราะใจได้สร้างบุญได้สร้างเหตุสร้างปัจจัยที่ทำให้ได้มาเกิดเป็นมนุษย์อย่างน้อยก็ต้องเคยรักษาศีลห้ามา <c oughs> เคยละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ละเว้นจากการลักทรัพย์ละเว้นจากการประพฤติผิดประเวณีละเว้นจากการพูดปลดโน้เท็จละเว้นจากการเสพสุรายาเมาละเว้นจากอบายมุขต่างๆเช่นการพนันเที่ยวกลางคืนเป็นต้นจึงเป็นเหตุทําให้เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์แต่ฐานะของมนุษย์นั้นก็ มีระยะเวลาจำกัดคือไม่ช้าก็เร็วร่างกายนี้ก็จะต้องหมดไปขึ้นอยู่ส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับบุญกรรมที่ทำมาเหมือนกับเติมน้ำมันถ้าเติมน้ำมันน้อยรถก็วิ่งไปได้น้อยวิ่งไปไม่ได้ไกลถ้าเติมน้ำมันมากรถก็วิ่งไปได้ไกลถ้าเราเติมบุญมาน้อย เมื่อร่างชีวิตของเราก็จะไม่ยืนยาวนานก็จะต้องตายไปก่อนคนอื่นดังที่พวกเราได้มากระทำบุญให้กับเพื่อนที่ได้ตายจากเราไปก่อนนั่นเป็นเพราะว่าเขาเติมน้ำมันมาเพียงเท่านั้นเขาได้ทาบุญมาเพียงเท่านั้นเมื่อหมดบุญไปแล้วเขาก็ต้องไปหา ที่อยู่ใหม่ต่อไปนะพวกเราก็เช่นเดียวกันสักวันหนึ่งเมื่อบุญของพวกเราหมดแล้วเราก็ต้องจากโลกนี้ไปดังนั้นในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เราควรรีบเติมน้ำมันไว้ให้มากๆทำบุญไว้ให้มากๆทำบาปให้น้อยหรือไม่ทำเลยเพราะเมื่อเราไปเกิดข้างหน้า เราจะได้ไปเกิดที่ดีและอยู่ได้นานๆถ้าเกิดเป็นมนุษย์ก็จะมีอายุยืนยาวนานมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงมีอาการ32ครบถ้วนบริบูรณ์ไม่พิกลพิการต่างๆสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นผลที่เกิดจากการกระทำของเราทั้งนั้น ไม่ว่าเราจะเชื่อหรือไม่ก็ตามผลจะต้องเกิดขึ้นตามที่เราทำอย่างแน่นอนเหมือนกับการรับประทานอาหารเราจะเชื่อหรือไม่ว่ารับประทานเข้าไปแล้วจะทาให้เราอิ่มท้องขึ้นมาก็ตามแต่ถ้ารับประทานเข้าไปแล้วเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องอิ่มท้องขึ้นมาจนได้ <c oughs> เพราะการกระทำและผลของการกระทำ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเชื่อของผู้กระทำขึ้นอยู่กับการกระทาของผู้กระทาเท่านั้นไม่เชื่อนรกไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อเรื่องเวียนว่ายตายเกิดแต่ถ้ายังทํากรรมอยู่ทําบุญอยู่ก็ยังต้องไปเวียนว่ายตายเกิดต้องไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่ถ้าไม่อยากจะเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องชาระความโลภความโกรธความหลง ให้หมดสิ้นไปจากจิตจากใจให้ใจสะอาดบริสุทธิ์เหมือนของพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ทั้งหลายใจก็จะไม่ไปเกิด <c oughs> เพราะใจก็เป็นเหมือนรถยนต์ถ้าเติมน้ำมันมันก็ยังมีเชื้อที่จะให้มันวิ่งไปไหนมาไหนได้ถ้าไม่เติมน้ำมันเมื่อเชื้อเพลิมในรถหมดแล้วมันก็ไปไหนไม่ได้ ใจก็เป็นอย่างนั่นเหมือนกันถ้าใจเรากำจัดตัดเชื้อเพลิงที่มีอยู่ในใจให้หมดไปให้ได้คือตัดความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปจากใจแล้วใจก็ไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปใจก็จะอยู่ในพระนิพพานใจจะอยู่ในฐานะที่อิ่มที่พอ ที่มีความสุขอย่างยิ่งไม่จำเป็นต้องไปหาความสุขจากอะไรอีกต่อไปเพราะความสุขต่างๆที่พวกเราหากันมานั้นเป็นความสุขที่คุกเคลาไปกับความทุกข์ได้อะไรมาก็ดีอกดีใจมีความสุขพอจากเราไปเราก็เสียอกเสียใจเวลาได้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็ดีอกดีใจกัน พอต้องตายจากความเป็นมนุษย์ไปก็เสียอกเสียใจกันร้องห่มร้องไห้ <c oughs> เพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มีความทุกข์ควบคู่ไปด้วยเสมอถ้าไม่ต้องการความทุกข์ก็ต้องไม่เกิดอย่างเดียวเท่านั้นเพราะผู้ที่ไม่เกิดเท่านั้นถึงจะไม่มีทุกข์เพราะถ้าเมื่อเกิดแล้วต่อให้อยู่ในภพ ดีขนาดไหนก็ตามก็มีความเสื่อมมีการหมดไปเกิดเป็นพรหมถึงแม้จะอยู่เป็นพรหมเป็นเวลาอันยาวนานก็ตามเป็นหมื่นปีแต่เมื่อหมดเวลาจิตก็ต้องเสื่อมลงมาลงมาสู่พบที่ต่ำลงต่อไปจากพรหมก็มาเป็นเทพจากเทพก็กลับมาเป็นมนุษย์ จากมนุษย์ถ้าไม่ระวังไปทำบาป ท, ทำกรรมตายไปก็ต้องขยับลงต่ำลงไปอีกไปเป็นเดราจฉานบ้างไปตกนรกบ้างแล้วจนกว่ากรรมที่ได้ทำไว้หมดใช้กรรมหมดแล้วถึงจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีก <c oughs> นี่คือเรื่องของใจของพวกเราที่พวกเราไม่รู้ตัวของเราเอง เราไม่รู้ว่าเรานี่แหละคือใจเราไปคิดว่าเราคือร่างกายเพราะใจเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นกันใจเปรียบเหมือนกับคลื่นวิทยุโทรศัพท์ที่เวลาเข้ามาในเครื่องมือถือเรามองไม่เห็นแต่เรารู้ว่ามีคลื่นเข้ามาแล้วเพราะมีเสียงดังแล้วเมื่อเรารับแล้วก็มีเสียงพูดออกมาจากเครื่อง นั่นแสดงว่ามีคลื่นวิทยุเข้าไปในเครื่องแล้วใจของเราก็เป็นเหมือนกับคลื่นวิทยุที่เข้ามาในร่างกายเมื่อเข้ามาในร่างกายแล้วก็ทําให้ร่างกายนี้พูดได้ทําอะไรได้รับรู้เรื่องราวต่างๆได้แต่พอคลื่นหรือใจนี้ออกจากร่างกายไปแล้วก็กลายเป็นคนตายไปจะไปพูดอะไรกับร่างกาย ร่างกายนั้นก็ไม่รู้เรื่องเอาเข็มไปทิ่มไปแทงก็จะไม่สะดุ้งไม่ผวาเอามีดไปผ่าไปตัดออกมาหรือเอาไฟไปเผาร่างกายนั้นก็ไม่รู้เรื่องอะไรทั้งสิน้นเพราะผู้รู้คือใจนั้นไม่ได้อยู่ในร่างกายนั้นแล้วนี่คือใจของพวกเราเป็นอย่างนี้ดังนั้นถ้าจะถามว่า ดวงวิญญาณมีจริงหรือไม่ก็ตอบได้ว่ามีจริงใจนี้คือดวงวิญญาณเมื่อออกจากร่างกายก็เป็นดวงวิญญาณถ้าถามว่ามีการเวียนว่ายตายเกิดหรือเปล่าก็ตอบว่ามีเพราะใจนี้ก็จะต้องไปเกิดใหม่เพียงแต่จะไปเกิดเป็นอะไรเท่านั้นบางทียังบางทีไม่ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ทันทีทันใดอาจจะต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานก่อน เป็นนกเป็นปลาเป็นแมวเป็นสุนัขหรือไปตกนรกหรือไปเกิดเป็นเปรตเป็นผีถ้าเป็นเปรตก็เป็นพวกที่พวกเราทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ถ้าเป็นอย่างอื่นบุญอุทิศนี้ก็ไปไม่ถึงเพราะไม่มีฐานะที่จะรับบุญอุทิศได้มีพวกเปรตนี้เป็นเพียงพวกเดียวเท่านั้น ที่จะรับบุญที่เราอุทิศให้กับเขาไปได้เพื่อเขาจะได้ไปเกิดต่อไ ป, ไปเกิดใหม่นั่นเองได้ไปเป็นมนุษย์ได้เป็นเทพเป็นอะไรไปแต่ช่วงที่เขาเป็นเปรตนั้นเป็นช่วงที่เขาขาดบุญเหมือนกับรถที่ขาดน้ำมันหมดกลางทางเสียก่อนถ้าเราเอาน้ำมันไปเติมให้เขาหน่อยพอให้เขาวิ่งไปถึงปั๊มได้เขาก็จะไปเติมน้ามัน ให้เต็มถังของเขาแล้วเขาก็จะวิ่งต่อไปได้นี่คือฐานะของเปรตเป็นพวกเดียวที่จะสามารถรับบุญอุทิศได้ถ้าไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องใช้บุญอุทิศเพราะรถวิ่งไปถึงปั๊มแล้วนั่นเองภพของมนุษย์นี่เป็นเหมือนเป็นเหมือนปั๊มน้ามันเป็นที่เราสามารถเติมบุญได้หรือเติมบาปก็ได้มีภพเดียวในโลก ในสังสารวัตที่เติมบุญได้เติมบาปได้ก็คือภพของมนุษย์ถ้าเป็นภพของเทวดาของพรหมก็เป็นที่ไปไปสวยบุญไปรับผลของบุญไ ป, ไปมีแต่ความสุขมีแต่ความสบายถ้าไปเกิดเป็นเดรัจฉานไปตกนรกไปเป็นเปรตเป็นผีก็ไปใช้กรรม ก็ไม่อยู่ในฐานะที่จะทําบุญได้เช่นเกิดเป็นสุนัขอยากจะมาทําบุญวันนี้ก็มาทําไม่ได้เพราะสุนัขไม่มีฐานไม่มีปัญญาที่จะมาทําบุญได้นั่นเองไปตกนรกก็เช่นเดียวกันก็เหมือนกับติดอยู่ในคุกในตารางจะออกมาทําบุญก็ออกมาไม่ได้ต้องรอให้พ้นโทษก่อนมีภพของมนุษย์นี้เท่านั้น ที่จะสร้างบุญก็ได้สร้างบาปก็ได้อุทิศบุญให้กับผู้อื่นก็ได้ดังนั้นเมื่อเราได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเราจึงควรที่จะรีบรีบตักตวงโอกาสนี้อย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปกับเรื่องร้อยสาระเช่นเรื่องของการหาเงินทองหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะเพราะความสุขเหล่านี้ ไม่ได้เป็นความสุขที่จีรังถาวรนที่ยั่งยืนและไม่ได้ไม่ได้ช่วยใจเมื่อได้เดินเมื่อต้องเดินทางต่อไปในพบหน้าพบต่อไปไม่ได้เป็นสเสบียงไม่ได้เป็นบุญเป็นกุศลนั่นเองถ้าเรามัวแต่เสียเวลากับการหาความสุขจากการหาเงินหาทองจากการเที่ยวจากการดื่มจากการรับประทาน พอเราตายไปเราจะไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวไปติดใจไปด้วยไปแต่ความหิวความกระหายความอยากแล้วถ้าไปทำบาปทำกรรมก็ต้องไปเป็นเปรตบ้างไปตกนรกบ้างแต่ถ้าเราพยายามสะสมบุญสะสมกุศลอยู่เรื่อยๆทำงานทำการมีเงินทองเหลือกินเหลือใช้ ก็เอามาทำบุญเอามาช่วยเหลือผู้อื่นรับรองได้ว่าเวลาเราตายไปเราจะได้กำไรถ้าเราได้เราจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ที่ดีกว่าเดิมที่ฉลาดกว่าเดิมที่มีรูปบ้างหน้าตากว่าเดิมที่มีฐานะการเงินการทองดีกว่าเดิมที่จะทำให้เราได้ทำบุญทำกุศลมากขึ้นไปอีกเรื่อยๆจนในที่สุด ก็จะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์หรือเป็นพระพุทธเจ้าไปนี่คือฐานะของใจของพระพุทธเจ้าที่ในแต่ละภพในแต่ละชาติเมื่อได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วจะบำเพ็ญบุญอยู่เสมอจะทำบุญให้ทานจะรักษาศีลจะศึกษาฟังเทศฟังธรรมจะปฏิบัติธรรมทำจิตใจให้สงบ จะเจริญปัญญาให้ให้รู้ทันกิเลสให้รู้ทันความหลงถ้ามีปัญญาแล้วใจก็จะไม่หลงกับเรื่องที่ไร้สาระต่างๆเพราะใจรู้ว่าตนเป็นผู้ที่ต้องเดินทางไปเป็นผู้ที่ต้องอาศัยบุญและกุศลเป็นเหมือนกับคนขับรถที่รู้ว่าตราบใด ย, ยังต้องเดินทางยังต้อง ด้วยรถยนต์อยู่ก็ต้องดูแลรักษารถยนต์ให้ดีต้องคอยแวะเติมน้ำมันเติมน้ำเติมลมต้องคอยเอาเข้าอู่เพื่อซ่อมบำรุงอยู่เสมอเพราะถ้าไม่ทำแล้วรถยนต์ก็จะเสียก็จะไม่สามารถเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางได้นั่นเองใจของพวกเราก็เป็นเหมือนรถยนต์ ที่กำลังเดินทางไปสู่จุดที่พวกเราทุกคนต้องการจะไปก็คือจุดที่ไม่มีความทุกข์นั่นเองจุดที่มีแต่ความสุขนั่นก็คือจุดเดียว ก, กันกับที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ได้ไปถึงกันท่านได้ไปถึงแล้วท่านจึงกลับมาบอกพวกเราสอนพวกเราให้รู้ว่าวิธีที่จะไปนั้นไปอย่างไรจึงปรากฏมีพระพุทธศาสนา ไว้เป็นที่พึ่งให้กับพวกเรานั่นเองถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีพระอาหารหันต์ก็จะไม่มีพระพุทธศาสนาเมื่อไม่มีพระพุทธศาสนาเราก็จะไม่รู้เรื่องของใจว่าเป็นอะไรเราจะไม่รู้เรื่องเวียนว่ายตายเกิดเราจะไม่รู้อะไรทั้งนั้นรู้อย่างเดียวว่าเกิดมามีร่างกายอันนี้ตายไปแล้วก็จบก็คิดอยู่เพียงเท่านี้เท่านั้นเองไม่เชื่อว่าจะมีการเวียนว่ายตายเกิด ไม่เชื่อว่าจะต้องไปเกิดในสวรรค์หรือไปตกนรกเพราะเรามองไม่เห็นนั่นเองเหมือนกับคนที่หลับตาหรือคนตาบอด ก, ก็จะไม่เห็นอะไรต่อให้ใครบอกว่ามีอะไรอยู่ตรงไหนเขาก็มองไม่เห็นเขาเชื่อก็มองไม่เห็นเหมือนกันเขาไม่เชื่อก็มองไม่เห็นเหมือนกันเทยงแต่ว่าอย่างน้อยถ้าเขาเชื่อเขาก็จะมีโอกาสมองเห็นได้ เพราะสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราทำกันนั้นเป็นวิธีที่จะทำให้ตาของเราสว่างขึ้นมาทำให้ใจของเราสว่างขึ้นมาทำให้เราเห็นใจของเราเห็นเห็นการเวียนว่ายตายเกิดของใจของเราเห็นนรกเห็นสวรรค์เพราะนรกและสวรรค์นี้ไม่ใช่เป็นสถานที่แต่เป็นสภาพจิตใจถ้าใจสงบ ถ้าใจมีความสุขในขณะนั้นใจขึ้นสวรรค์ถ้าใจมีความร่วมร้อนมีความทุกข์ในขณะนั้นใจตกนรกถ้าใจมีแต่ความหิวมีแต่ความกระหายในขณะนั้นใจเป็นเปรตถ้าในขณะใดที่ใจมีแต่ความหวาดกลัวหวาดกลัวกับเรื่องต่างๆไร้ยังไม่มีเหตุไม่มีผลขณะนั้นใจเป็นผีเป็นอสูรละกาย ในขณะใดที่ใจมีความสุขในขณะนั้นใจก็เป็นเทพในขณะใดใจมีความสงบล่มเย็นสงบนิ่งไม่คิดไม่ปรุงกับเรื่องอะไรใจก็เป็นพรหมในขณะใดที่ใจปล่อยวางได้ปลงได้ตัดได้ไม่ยึดไม่ติดใจก็เป็นพระอริยเจ้าตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปนี่คือเรื่องของใจเป็นอย่างนี้ นรกสวรรค์ไม่มีถ้าถ้าเป็นแบบเป็นสถานที่ไม่มีต่อให้ไปหาอะไรในจักรวาลนี้ก็จะหาไม่เจอเพราะมันไม่อยู่ในเพราะมันไม่ได้เป็นสถานที่มันเป็นสภาวะของใจนั่นเองถ้าใจเป็นอย่างไรมันก็มันก็เป็นอย่างนั้นขึ้นมาใจรุ่มร้อนก็เป็นนรกใจใจมีความสุขก็เป็นสวรรค์ อย่างในขณะนี้ใจของพวกเราก็เหมือนกับได้ขึ้นสวรรค์เพราะเรามีความสุขมีความสงบนะแต่ถ้าเรามีความวุ่นวายใจห่วงเรื่องนั้นห่วงเรื่องนี้ใจของเราก็ตกนรกนี่คือเรื่องของใจพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าไม่มีอะไรสาคัญเท่าใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจเป็นผู้สร้างนรกเป็นผู้สร้างสวรรค์ และใจเป็นผู้สวยเป็นผู้ที่ไปอยู่ในนรกและอยู่ในสวรรค์ดังนั้นเราจึงควรให้ความสนใจต่อการดูแลรักษาใจด้วยการสร้างบุญสร้างกุศลด้วยการละเว้นจากการทำบาปทำกรรมด้วยการชำระกําจัดความโลภความโกรธความหลงให้หมดสิ้นไปจากจิตจากใจเพราะเป็นวิธีเดียวเท่านั้น ที่จะทำให้ใจหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงที่จะทำให้ใจของเราได้พบกับความสุขสุดยอดของชีวิตอยู่ที่การกระทำอยู่ที่การปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นจึงขอให้พวกเราจงให้ความสนใจดูแลรักษาใจเราให้มากยิ่งกว่าสิ่งอื่นใด ภารกิจส่วนอื่นที่มีความจำเป็นก็ทำไปเช่นเราต้องมีปัจจัยสี่เพื่อเลี้ยงดูปากท้องของเราเลี้ยงดูชีวิตของเราก็หามาแต่หามาพอประมาณก็พออย่ามีไว้มากจนเกินไปแบบกินอีกสิบชาติก็ไม่หมดก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเสียเวลาไ ป, ปเปล่าๆเอาเวลามาสร้างบุญสร้างกุศลดีกว่า ที่จะพัฒนาจิตใจของเราขึ้นไปตามลำดับเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ถาวรการพัฒนาอย่างอื่นในโลกนี้เป็นการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนจะสร้างอะไรก็สร้างไปเถิดเดี๋ยวไม่กี่ปีมันก็พังทลายลงมาหรือไม่เช่นนั้นเราก็ต้องทิ้งมันไปนี่คือการพัฒนาทางโลกเป็นอย่างนี้ มันไม่ถาวรมันไม่ยั่งยืนเหมือนกับการพัฒนาจิตใจจิตใจได้รับการพัฒนาสูงขึ้นไปเท่าไหร่ก็จะอยู่อย่างนั้นจะไม่เสื่อมลงมาถ้าได้พัฒนาไปจนถึงจุดสูงสุดเช่นที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกได้พัฒนาไปถึงแล้วก็จะเป็นอย่างนั้นไปตลอดอนันตการไม่มีความเสื่อมอีกต่อไป จิตที่ได้บรรลุถึงพระนิพพานแล้วจะไม่มีการเสื่อมอีกต่อไปจะไม่มีการกลับลงมาเกิดเป็นเทพเป็นพรหมเป็นมนุษย์เป็นอะไรทั้งสิ้นนะเพราะนี่คือการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นการพัฒนาที่ถึงจุดสุดยอดแล้วถึงบรมโมสุขแล้วไม่มีอะไรที่จะต้องทำอีกต่อไปจึงขอให้เราจงใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ ให้รู้จักแยกแยะว่าควรจะทำอะไรมากน้อยเพียงไรแล้วชีวิตของเราที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้มาเจอพระพุทธศาสนาจะได้ไม่สูญเปล่าคือไม่เสียชาติเกิดนั่นเองได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาได้มีโอกาสสะสมบุญบารมีได้มีโอกาสลุนได้เป็นพระอรหันต์ได้เป็นพระพุทธเจ้า ก็เกิดจากการประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนนั่นเองจึงขอฝากเรื่องการทำบุญทำกุศลเรื่องการดูแลรักษาใจให้ท่านนำเอาไปประพฤติปฏิบัติ ต, ต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติดไวเพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงปกป้องคุ้มครองรักษาให้ท่านทั้งหลายแค้วแกร่ดปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงมีแต่ความสุขและความเจริญทั้งในทางโลกและในทางธรรมโดยทั่วหน้ากันเธอ